ปิเทศนิยักันจานวนอาบัตในปาติเทศนิยักันละถึงปาติเทศนิยักศึกษาบทที่8ถามเพราะภิกษุณีออกปาขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะภิกษุณีออกปาขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. องฉัน ต้องอาบัติปาติเทศนิยะทุกๆคำเกลืน่นเพราะภิกษุณีออกปากข อ, อนมเปรี่ยวมาฉันต้องอาบัติสองอย่างเหล่านี้กระตาปฏิวาระที่สองจบ 3. วิปัติวาระวาระว่าด้วยเป็นวิปติ 1. ปึปราชิกการคำถามคำตอบวิปติในปราชิกการปราชิกสิกขาบทที่5ถามเพราะยินดีการถูกต้องกาย อาบัตทั้งหลายบรรดาวิบัตสีอย่างจะเป็นวิบัตเท่าไรตอบเพราะยินดีการถูกต้องกายอาบัตทั้งหลายบรรดาวิบัตสีอย่างจะเป็นวิบัตส2อย่างคือ 1. ศีลวิบัตส 2. อาจารวิบัตห 5. ปาติเทศนิยกัรคำถามคำตอบวิบัตในปาติเทศนิยกัรปาติเทศนียสิกขาบทที่8ถาม เพราะภิกษุณีออกป่าขอนมเปรี้ยวมาฉันอาบัตทั้งหลายบรรดาวิปัสสีอย่างจะเป็นวิบัติเท่าไหรตอบเพราะภิกษุณีออกป่าขอนมเปรี้ยวมาฉันอาบัตทั้งหลายบรรดาวิปัสสีอย่างจะเป็นวิบัติ์หนึ่งอย่างคืออาจารวิบัติวิปติวาระที่สามจบสสังคหวาระวาระว่าด้วยการจัดเข้ากองอาบัตหนึ่งปราชิกกัน คำถามคำตอบจัดกองอาบัตในประชิกันประชิกสิกขาบทที่5ถามเพราะยินดีการถูกต้องกายอาบัตทั้งหลายบรรดากองอาบัตเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไรตอบเพราะยินดีการถูกต้องกายอาบัตทั้งหลายบรรดากองอาบัตเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัติ5กองคือ1กองอาบัตประชิก 2. งกองอาบัตสังฆาทิเศษ 3. กองอาบัตุลใจัย 4. กองอาบัตปาจิตตีห้กองอาบัออาบาตทุกกฎ 5. ปาติเทสนิยกันคำถามคำตอบจัดกองอาบัตในปาติเทสนิยกันปาติเทสนิยสิกขาบทที่8ถามเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันอาบัตทั้งหลายบรรดากองอาบัตเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่ตอบ เพราะภิกษุณีออกปากข อ, อนมเปรี้ยวมาฉันอาบัตทั้งหลายบรรดากองอาบัตเ7ดกองจัดเข้ากองอาบัตสองกองคือ 1. กองอาบัตปาติเทศนิยะ 2. กองอาบัตทุกกฏสังหาวาระที่สี่จบ 5. สมุธานวาระวาระว่าด้วยสมุธาน 1. ปราชิกกนคำถามคำตอบสมุธานในปราชิกกา พระราชิกสิกขาบทที่5ถามเพราะภิกษุณียินดีการถูกต้องกายอาบัตทั้งหลายบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ตอบเพราะภิกษุณียินดีการถูกต้องกายอาบัตทั้งหลายบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา 5. ปาติเทศนิยกัน คำถามคำตอบสมุทฐานอาบัตในปาติเทศนิยกัรปาติเทศนิยศขาบทที่8ถามเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมะชันอาบัตทั้งหลายบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ตอบเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมะชันอาบัตทั้งหลายบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสี่อย่าง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 คำถามคำตอบอธิกรณ์ในประราชกันประราชศิกขาบทที่หถามเพราะยินดีการถูกต้องกายอาบัตทั้งหลายบรรดาอธิกรณ์สี่อย่างจัดเป็นอธิกรณ์ไหนตอบเพราะยินดีการถูกต้องกายอาบัตทั้งหลายบรรดาอธิกรณ์สี่อย่างจัดเป็นอาบัตตาธิกรณ์หปาติเทศนิยกัน คำถามคำตอบอธิกกรในปาติเทศนิยกันปาติเทศนิยสิกขาบทที่8ถามเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมะฉันอาบัตทั้งหลายบรรดาอธิกรสรี่อย่างจัดเป็นอธิกกรไหนตอบเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมะชันอาบัตทั้งหลายบรรดาอธิกรสรี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกกรอธิกรณวาระที่หก เสมถวาระวาระว่าด้วยการระงับด้วยสมถะ 1. นึ่ปราชิกกันคําถามคําตอบสมถะในปราชิกกันปราชิกศึกขาบทที่5ถามเพราะยินดีการถูกต้องกายอาบัตทั้งหลายบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบเพราะยินดีการถูกต้องกายอาบัตทั้งหลายบรรดาสมถะเจ็ดอย่าง ระ ง, งับด้วยสมถะสมอย่างคือ 1. สามุขาวินัย 2. ปติญญาตะกรระ 3. สามุขาวินัยกับตินะวัธาระกะ 5. ้าปาติเทสนิยกันคำถามคำตอบสมถะในปาติเทสนิยกันปาติเทสนิยสิกขาบทที่8ถามเพราะภิกษุณีออกป่าขอนมเปรี้ยวมาฉันออาบัตทั้งหลาย บรรดาสมถะเจ็อย่างระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบเพราะภิกษุณีออกผ่าขอหนมเปรี้ยวมาฉันออาบัตทั้งหลายบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สัมมุขวิไนยัย 2. ปฏิญญาตะกรณะ 3. สามสัมุขวิไนกับตินนวัธารกะสมถะวาระที่เจจบ 8. สมุจยะวาระ วาระว่าเ้ืยอการสรุปรวมหนึ่งประชิกกันคำถามคำตอบสรุปรวมอาบัตในประชิกกันประชิกสิกขาบทที่หถามเพราะยินดีการถูกต้องกลายเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหรตอบเพราะยินดีการถูกต้องกลายเป็นปัจจัยต้องอาบัตหอย่างคือหนึ่งพิุนีผู้กำหนดยินดีการถูกต้องบริเวณใต้ารากขวัญลงมาเหนือหัวเข่าขึ้นไป ของชายผู้กำนัดต้องอาบัติปราชิก 2. อภิกษุณีใช้ใกายจับต้องกายต้องอาบัติสังคารทิเศษสาภิกษุณีใช้ใกายจับต้องของเนื่องด้วยกายต้องอาบัติทุนละใจสีภิกษุณีใช้ของที่เนื่องด้วยกายจับต้องของเนื่องด้วยกายต้องอาบัติทุกกฎ 5. ้ภิกษุณีใช้นิ้วจี้กนันต้องอาบัติปาจิตตี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 อาบัตเหล่านั้นบรรดาวิปัสสีอย่างจัดเป็นวิบัติสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจารวิบัติบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตห้กองคือ1กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตสังฆาธิเศษสากองอาบัตทุนละจัย 4. กองอาบัตปาจิตตีห้ากองอาบัตทุกกดบรรดาสมุทฐานในอาบัตห6สมุทฐาน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 คำถามคำตอบสรุปโรมอาบัตในปาติเทสนิยกันปาติเทสนิยสิกขาบทที่8ปดถามเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอาบัตเท่าไรตอบเพราะภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ1รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาติเทศนยะทุกๆคำกลืน พระภิกษุณีออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอาบัตสองอย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิปัสสีอย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไหรบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่บรรดาสมุทฐานในอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไร่บรรดาอธิกรณสี่อย่างเป็นอธิกรอะไรบรรดาสมถะเจ็อย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบ อาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัตหนึ่งอย่างคืออาจาราวิบัติบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตสองกองคือ1กองอาบัตปาติเทสนิยะ2กองอาบัตทุกกฏบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐาน4สมุธฐานคือ1เกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต2เกิดทางกายกับวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต 3. เกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา4เกิดทางกายวาจากับจิตบรรดาอธิกรณสี่อย่างเป็นอาปัตาธิกรบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือหนึ่งสัมมุขวินยัยสองปติญญาตะกรณะสสัมมุขวินยัยและตินนวธาระกะสมุจยัวาระที่8จบ 8. ปดัจจยวาระจบ โซระสะมหาวาระในพิคุณีวิพังจบ 3. ส, สมุทฐานสีสะสังเขวว่าด้วยการย่อหัวข้อสมุทฐานสังขารทั้งปวงที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา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 พระองค์ทรงแสดงพระสัตธรรมอันกําจัดเสียซึ่งทุก์นำมาซึ่งความสุขพระอังคีรศักยมุนีทรงเป็นผู้อนุเคราะห์แก่หมู่สัตว์ทุกท่วนหน้าพระองค์ผู้ทรงอุดมกว่าสัพสัตวดุดราชสีทรงแสดงพระไตรปิฎกคือพระสุตตันตะพระอภิธรรมพระวินัยซึ่งมีคุณมากพระสัตยธรรมจะเป็นไปได้หากพระวินัยคืออุปโตวิพังขันทกะ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 สมุทฐานส3บสาในวันอุโบสถภิกษุและภิกษุณีย่อมสวดสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติไว้ในวิพังทั้งสองเาพระเจ้าจะกล่าวสมุทฐานตามที่รู้มาขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพระเจ้าเถิดปฐมปราชิกศิกขาบททุติยปราชิกศิกขาบทถัดจากนั้น สัญจริตะสิกขาบทสมานุภาสนะสิกขาบทอติเรกจีวรสิกขาบทเอลกะโลมสิกขาบทปะทะโสธรรมสิกขาบทภูตารโฉนะสิกขาบทสังวิธานสิกขาบทเถยยสัทธะสิกขาบทเทสนาสิกขาบทโจรีวุธานะปณะสิกขาบทรวมกับการบวชสตรีที่บิดามารดาหรือสามีไม่อนุญาต รวมเป็นสมุทฐาน13ในอุปโตวิพังนี้ในยะแห่งสมุทฐานทั้ง13นี้วินยูชนทั้งหลายคิดกันแล้วย่อมปรากฏคล้ายคลึงกันในแต่ละสมุทฐาน 1. ปฐมมปราชิกสมุทฐานสิกขาบทว่าด้วยการเสดเมทุนธรรมสิกขาบทว่าด้วยการจงใจทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนสิกขาบทว่าด้วยการถูกต้องกายกับมาตุคาม อานิยตสิกขาบทที่หนึ่งสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซงภิกษุผู้เข้าไปอยู่ก่อนสิกขาบทว่าด้วยการฉันบินทบาที่ภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียมสิกขาบทว่าด้วยการอยู่ในที่รับกับภิกษุณีสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซงในที่ที่มีคนสอคนสิกขาบทว่าด้วยการอยู่ในที่รับสองสิกขาบทสิกขาบทว่าด้วยการใช้นิ้วมือจีรกันและกัน สิกขาบทว่าด้วยการเล่นน้ำสิกขาบทว่าด้วยการทำร้ายเพื่อนภิกษุสิกขาบทว่าด้วยการเงื้อห่อคือฝ่ามือขึ้นทำทีว่าจะทำร้ายเซขิยวัดห้าสิกขาบทสิกขาบทว่าด้วยการยินดีการที่ชายจับต้องที่บริเวณเหนือเขาขึ้นไปสิกขาบทว่าด้วยการเข้าละแวกหมู่บ้านตามลําพังสิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีกำนัดรับโภชนะจากมือชายผู้กำนัด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 ทุกศึกขาบทมีสมุธฐานอันหนึ่งเหมือนปฐมปราชิกศึกขาบทฉะนั้นปฐมปราชิกสมุธฐานจบ 2. ทุติยะปราชิกสมุธฐาน สิกขาบทว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้สิกขาบทว่าด้วยการพรากกายมนุษย์สิกขาบทว่าด้วยการกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมสิกขาบทว่าด้วยการพูดเยี่ยวหญิงสิกขาบทว่าด้วยการใช้บำเรอความใคร่ของตนสิกขาบทว่าด้วยภิกษุขัดเคืองมีโทสะใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปราชิกที่ไม่มีมูลสิกขาบทว่าด้วยภิกษุขัดเคืองมีโทสะ อ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรเรื่องอื่นอริยตตะสิกขาบทที่สองจีวระอาชินธนาสิกขาบทว่าด้วยการให้จีวรแล้วชิงเอาคืนปริณตตะสิกขาบทว่าด้วยการน้อมราบมุสาวาทสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวเทศโอมสวาทสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวเสียสีเปสุญญาสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวสอเสียด ทุต<ธ>ุนลาโรจนศึกขาบทว่าด you know, ้วยการบอกอาบาดชั่วหยาบปัทวีคณะศึกขาบทว่าด้วยการขุดดินภูตคามาศึกขาบทว่าด้วยการพระภูตคามอัญญะวักะศึกขาบทว่าด้วยการกล่าวกลบเกลื่อนปูชาพณะศึกขาบทว่าด้วยการกล่าวให้เพ่งโทษนิสกัฒนะศึกขาบทว่าด้วยการฉุดลากออกสินจนะศึกขาบท ว่าด้ยวยการเอาน้ำรหญ้าและดินอามิสะสิกขาบทว่าด้ยวยการสั่งสอนภิกษุณีเพราะเห็นแก่อามิสพุทธาวีสิกขาบทว่าด้ยวยภิกษุฉันแล้วเอหิสิกขาบทว่าด้ยวยการชักชวนว่ามาเถิดอนาธริยะสิกขาบทว่าด้ยวยความไม่เอือ้อเฟือต่อคำตักเตือนพิงสาปณะสิกขาบทว่าด้ยวยการทําให้ตกใจอปนิธานะสิกขาบท ว่าด้วยการซ่อนบริคารชีวิตะสิกขาบทว่าด้วยความจงใจปลงชีวิตสัตว์ชาณะสปานะสปปนกะิกขาบทว่าด้วยภิกษุรู้อยู่บริโภคน้ำที่มีสัตว์มีชีวิตกรรมะสิกขาบทว่าด้วยการรื้อกรรมขึ้นมาพิจารณาใหม่อุณวีสติวะสะสิกขาบทว่าด้วยการอุปสมบทให้บุคคลมีอายุย่อนกว่าย0่ปีสังวาสสิกขาบท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 ว่าด้ยวยการใส่ความด้วยอาบัต ส, สังคาทิเศษที่ไม่มีมูลกุกุจจะสิกขาบทว่าด้ยวยการจงใจขอความรำคาญธามิกะสิกขาบทว่าด้ยวยการให้ฉันทะเพื่อกรรมที่ถูกต้องจีวรทัตุวาสิกขาบทว่าด้ยวยการให้จีวรแล้วติเตียนปริณามณสิกขาบทว่าด้ยวยการ น, น้อมลาบที่เป็นของสมไปเพื่อบุคคลกินเตสิกขาบท ว่าด้วยการทําอะไรท่านได้อากาละสิกขาบทว่าด้วยการอธิษฐานอากาละจีวรเป็นการละจีวอนอชินทสิกขาบทว่าด้วยการแลกเปลี่ยนจีวรแล้วชิงเอาคืนอุคะหิตะสิกขาบทว่าด้วยการเข้าใจผิดนิระยะสิกขาบทว่าด้วยการแสบแช่งด้วยนรกคณะสิกขาบทว่าด้วยการทําอันตรายแก่จีวอนลาบของคณะวิพังคะสิกขาบท ว่าด้วยการคัดค้านการแจกจีวรที่ชอบธรรมทุภะศึกขาบทว่าด้วยการหวังจีวรที่เลื่อนลอยกถิเนศึกขาบทว่าด้วยการคัดค้านการดอกกถิ่นที่ชอบธรำอภาสุศิกขาบทว่าด้วยการก่อความไม่ภาสสุอุปัสยศึกขาบทว่าด้วยการให้ที่อยู่แล้วฉุดลาบออกอโกสศึกขาบทว่าด้วยการด่าภิกษุจันทีศึกขาบท วาด้วยการครึ่งเขียดปริภาคคณะมัเชรีศึกขาบทว่าด้วยความหวงตระกูลคาพินีศึกขาบทว่าด้วยการบวชให้สตรีมีคันปายันตีศึกขาบทว่าด้วยการบวชให้สตรีผู้มีลูกยังดื่มนมทเววัสสศึกขาบทว่าด้วยการบวชให้สตรีามานาผู้ยังไม่ได้ศึกษาและผู้ยังไม่ได้ศึกษาทำหกข้อตลอดสองปีขิหิขตาศึกขาบท ว่าด้วยการบวชให้สตรีที่มีครอบครัว30มสิกขาบทอุมารีภูตะสิกขาบทว่าด้วยการบวชให้กุมารีสาสิกขาบทอุณท ว, ทวัทสะวะสะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีมีพรรษาต่ำกว่า12เป็นปวัตินีอซัมมาตาสิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีมีพรรษาครบ12เป็นปวัตินีแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมุติอลันตาวะสิกขาบท ว่าด้วยภิกษุณีที่สงห้ามว่าอย่าเลยสโสกาวัสสิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีผู้ทําชายให้ระทมโศกฉันทะสิกขาบทว่าด้วยการบวชให้สิกขามานาด้วยการให้ปาริวาสิกะฉันทะอนุวัสสิกขาบทว่าด้วยการบวชให้สิกขามานาทุกๆปีวัสสิกขาบทว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาปีละสองรูป รวมสิกขาบทเหล่านี้เป็นเจสิบสิกขาบทจัดเป็นสมสมุธฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาเกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกายและเกิดทางทวารทั้งสามเหมือนทุติยะปาราชิกสิกขาบทฉะนั้นทุติยะปาราชิกสมุธฐานจบ สจริตะสมุทฐานสัญจริตสิกขาบทว่าด้วยการชักฤฤสื่อกุติการะศึกษาบทว่าด้วยการก่อสร้างกูดีวิหาการะศิกข า, าบทว่าด้วยการสร้างวิหารโทวนาศิกขาบทว่าด้วยการให้ซักจีวรเก่าปฏิฆะศิกขาบทว่าด้วยการรับจีวรวิ ญ, ญัติศิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอครหัดผู้ไม่ใช่ญาติ ตุตตะตริสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอจีวรเกินอุพินะสิกขาบทว่าด้วยคนตระเตรียมทซั์เป็นค่าจีวรนสองสิกขาบททูตกะสิกขาบทว่าด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวรที่พระราชาเป็นต้นให้ทูตนำมาถวายโกศิยะสิกขาบทว่าด้วยการทำสรรทัดผสมใหญ่ไหมสุทธากาลกะสิกขาบท ว่าด้วยการทําสันทัดโดยใช้ขนเจียมดําล้วนทเวภาคะศึกขาบทว่าด้วยการทําสันทัดโดยใช้ขนเจียมดำสองส่วนชาพัสสะศึกขาบทว่าด้วยการเก็บสันทัดไว้หปีนิสีธนะสันตตะศึกขาบทว่าด้วยการทําสันทัดสําหรับรองนั่งรินจันติศึกขาบทว่าด้วยการละเลยอุเทศโรปิยะศึกขาบทว่าด้วยการรับโรปิยะ นานาปการ ะ, กะศึกขาบทว่าด้วยการแลกเปลี่ยนกันด้วยรูปียะและการซื้อขายมีประการต่างๆอุณพันธนะศิกขาบทว่าด้วยบาทมีรอยซ่อมย่อนกว่าหแห่งวสิกษาธิกะศึกษาบทว่าด้วยผ้าอาบน้ําฝนสุตตะศึกขาบทว่าด้วยการออกปากขอได้วิกาปณ ะ, ะศิกขาบทว่าด้วยการกําหนดชนิด จ, จีวรทวารศิกขาบท ว่าด้วยการติดตั้งบานประตูใกล้วงกบประตูทานสิกขาบทว่าด้วยการถวายจีวรสิพินีสิกขาบทว่าด้วยการเย็บจีวรให้ภิกษุณีปูวาสิกขาบทว่าด้วยกทายกนำขนมมาปวารณาปัจยะสิกขาบทว่าด้วยการยินดีกรารปรวารณาด้วยปัจใจโชติกะสิกขาบทว่าด้วยการก่อไฟผิงรัตนสิกขาบท ว่าด้วยการเก็บรัตนะที่เจ้าของลืมไว้สุจิคระสิกขาบทว่าด้วยการทำกล่องเข็มด้วยกระดูกเป็นต้นมันจะปีทะสิกขาบทว่าด้วยการทำเตียงและตังตูโลนัทธสิกขาบทว่าด้วยการทำเตียงต่างหุ้มนุ่นนิสีทนะสิกขาบทว่าด้วยการทำผ้ารองนั่งกันทุ ป, ปฏิชาธิสิกขาบทว่าด้วยการทำผ้าปิดฝี ว่าศึกษาติการศึกขาบทว่าด้วยการทําผ้าอาบน้ําฝนสุขตะศึกขาบทว่าด้วยท่านพระนันทะทําจีวรมีขนาดเท่าสุขจีวรวิญญัติศึกขาบทว่าด้วยการออกปากคอของอย่างหนึ่งแล้วออกปากขอของอย่างอื่นอัญญเจตาปณ ะ, ะศึกขาบทว่าด้วยการสั่งให้ซื้อของอย่างอื่นสั่งคิกะศึกขาบท ว่าด e ้วยของที่เขาบริจาคแก่สงฆ์สองสิกขาบทมหาชนิกะสิกขาบทว่าด้วยของที่เขาบริจาคแก่ภิกษุณีจํานวนมากสองสิกขาบทปุคลิกะสิกขาบทว่าด้วยของที่เขาบริจาคแก่บุคคลครุสิกขาบทว่าด้วยการขอผ้าห่มนาและหุกะสิกขาบทว่าด้วยการขอผ้าห่มบางวิคาสะสิกขาบทว่าด้วยการทิ้งของเป็นเดนสองสิกขาบท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 เกิดทางกายกับวาจาไม่ชเกิดทางจิตเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาเกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกายและเกิดทางทวารทั้งสามอันหนึ่งสิกขาบทเหล่านี้มี6สมุทฐานเช่นกับสัญจริตะสิกขาบทสัญจริตะสมุทฐานจบ สสมนุปาสนาสมุทฐานเพธสิกขาบทว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกันอนุวัตตะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุผู้ประพฤติตามกล่าวสนับสนุนภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ทุปะจัสิกขาบทว่าด้วยภิกษุเป็นคนว่ายากทูสสิกขาบทว่าด้วยภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลทุตุนละสิกขาบท ว่าด้วยการปกปิดอาบัาชั่วยาบทิฏฐิศึกขาบทว่าด้วยการไม่ยอมสละทิฏฐิฉันทะศึกขาบทว่าด้วยการไม่ให้ฉันทะแล้วไปเสียบุชักกิระศึกขาบทว่าด้วยการหัวเราะดังในบ้านสองศึกขาบท ส, สัทธศึกขาบทว่าด้วยการพูดเสียงเบาในบ้านสองศึกขาบทนภยาหระศึกขาบทว่าด้วยการไม่พูดขณะมีคำข้าวอยู่ในปาก ชมาศึกขาบทว่าด้ยภิกษุนั่งที่พื้นจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งบนอาสนะนีจาศึกขาบทว่าด้ยภิกษุนั่งบนอาสนะต่ำจกไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งบนอาสนะสูงทานะศึกขาบทว่าด้ยภิกษุยืนอยู่จะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่ปัจชโตศึกขาบทว่าด้ยภิกษุเดินอยู่ข้างหลัง จากไม่แสดงธรรมแก่นคนที่ไม่เป็นไข้ผู้เดินไปข้างหน้าอุ ป, ปเทนะศึกขาบทว่าด้วยภิกษุเดินไปนอกทางจากไม่แสดงธรรมแก่นคนที่ไม่เป็นไข่ผู้เดินไปในทางวัชชะศึกขาบทว่าด้วยการปกปิดโทษอนุวัติศึกขาบทว่าด้วยการประพฤติตามภิกษุที่ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมขหาณะศึกขาบทว่าด้วยการยินดีการจับมือของชายเป็นต้น โอสาเรศิกขาบทว่าด้วยการเรียกพิษุนีที่ถูกสงลงโ อ, อเขปนิยกรรมเข้าหมู่ปัจจายิกะคนาศิกขาบทว่าด้วยการบอกคืนพระรัตนตรยัยกรสมิงศิกขาบทว่าด้วยพิษุณีถูกตัดสินใหแพ้คดีในอธิกรณหนึ่งสังสัทธาศิกขาบทว่าด้วยพิษุนีกับพิษุนีอยู่คลุกคลีกันวัทิศิกขาบทว่าด้วยการร้องไห้ทุกตีตนเอง วิสิภะสิกขาบทว่าด้วยการเลาะจีวรแล้วไม่เย็บทุกิตาสิกขาบทว่าด้วยการไม่ใส่ใจดูแลเพื่อนภิกษุณีปุนสังสัทธาสิกขาบทว่าด้วยการอยู่คลุกคลีกับขเรหัดนวูปสมมะสิกขาบทว่าด้วยการไม่ช่วยระ ง, งับอธิกรณ์อารามสิกขาบทว่าด้วยการเข้าอารามโดยไม่บอกปรวรณาสิกขาบท ว่าด้วยการไม่ปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายอันวัฒมาสักขาบทว่าด้วยพึงหวังทำสองอย่างทุกกึอกเดือนสหชีวินีสักขาบทว่าด้วยการไม่อนุเคราะห์สหชีวินีตลอดสองปีจีวรสักขาบทว่าด้วยการบอกสักขมานาให้ถวายจีวรแล้วไม่บวชให้อนุพันธนาสักขาบทว่าด้วยการบอกสักขุมานาให้ติดตามตลอดสองปีแล้วไม่บวชให้ ธรรมคือสิกขาบทเหล่านี้รวม37ศสิกขาบทเกิดทางกายวาจากับจิตทุกสิกขาบทมีสมุทฐานอันหนึ่งเหมือนสมนุปาสนาสิกขาบทสมนุปาสนาสมุทฐานจบ กทินนสุธานอุพตกถินนสิกขาบทว่าด้วยกทินเดาะสามสิกขาบทปฐมปัตสิกขาบทว่าด้วยปาสิกขาบทที่หนึ่งเพสัชชะสิกขาบทว่าด้วยเพศัตอเจกะสิกขาบทว่าด้วยอเจกะจีวรนสาสังกะสิกขาบทว่าด้วยเสนาสนปาที่น่าหวาดระแวงปกะมันตสิกขาบท ว่าด้วยเมื่อจะจากไปสองศึกขาบทอุปัสสยะศึกขาบทว่าด้วยการไปสั่งสอนภิกษุณีถึงที่สำนักปรัมประศึกขาบทว่าด้วยการฉันปรัมประโภชนะอนติริตะศึกขาบทว่าด้วยการฉันของฉันที่ไม่เป็นเด่นนิมันตนาศึกขาบทว่าด้วยการได้รับนิมนต์วิกาปะศึกขาบทว่าด้วยการวิกัปจีวร รัญโยสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปในตำหนักที่บันทมของพระราชาวิกาลสิกขาบทว่าด้วยการเข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาลวัวสาสสิกขาบทว่าด้วยการไม่ห้ามภิกษุณีผู้คอยบงการอารัญญกะสิกขาบทว่าด้วยการรับของเคียวในเสนาสนะป่าอุสุยาสิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีก่อคดีพิพาทสันนิจยะสิกขาบท ว่าด้ยวยการสะสมบาติปูเรพัตสิกขาบทว่าด้ยวยการเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาก่อนฉันพัตทหารปัจฉาพัตสิกขาบทว่าด้ยวยการเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาหลังฉันพัตทหารวิกาลสิกขาบทว่าด้ยวยการเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาวิกาปัญจหิกะสิกขาบทว่าด้ยวยการให้วาระผัดเปลี่ยนสังคาติมีกำหนด ร, ระยะเวลาห้าวันล่วงเลยไป สังกัมณีศึกขาบทว่าด้วยการห่มจีวรสับเปลี่ยนกันอาวสัต t h ศึกขาบทสองศึกขาบทว่าด้วยการใช้ผ้าซับระดูแล้วไม่สละและว่าด้วยการไม่สละที่พักภาษาขาศึกขาบทว่าด้วยการให้บ่งฝีในร่มผ้าอาสนศึกขาบทว่าด้วยการนั่งบนอาสนะโดยไม่ขอโอกาสก่อนธรรมคือศึกษาบทเหล่านี้รวม29สิกึกาบท เกิดทางกายกับวาจาไม่ใช่เกิดทางจิตและเกิดทางทวารทั้งสามทุกสิกขาบทมีสองสมุทฐานเหมือนกับกทินะสิกขาบทกทินะสมุทฐานจบ 6. เอละกะโรมะสมุทฐาน เอละกะศึกขาบทว่าด้วยการทำสันถัดผสมใยไหมเศยศึกขาบทสองศึกขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกันอาหัจจะปาทกะศึกขาบทว่าด้วยเรื่องเตียงต่างมีขาจดแม่แค่์ปินทโภชนะศึกขาบทว่าด้วยการฉันพัหนรในที่พักแรมคณะโภชนะศึกขาบทว่าด้วยการฉันคณะโภชนะวิชาละโภชนะศึกขาบท ว่าด้วยการชนโภชนะในเวลาวิการสันนิธิกาลกะสิกขาบทว่าด้วยการสะสมโภชนะทันตะปูนัสิกขาบทว่าด้วยการรับประเคินอาหารนอกจากน้ำและไม้ชมระฟันอเจละกะสิกขาบทว่าด้วยนักบวชเปลือยกายอุยยะยุตตะสิกขาบทว่าด้วยกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบอุยยะโยทิกะสิกขาบทว่าด้วยการไปดูสนามรบ สุราปานสิกขาบทว่าด้วยการดื่มสุราและเมรัยโอเรณหายนสิกขาบทว่าด้วยยังไม่ถึงครึ่งเดือนอาบน้ําทุพันนสิกขาบทว่าด้วยการทําจีวรใหม่ให้เสียสีปาติเทศนิยสิกขาบทสองสิกขาบทและสุนสิกขาบทว่าด้วยการขอกระเทียมอุปติทะสิกขาบทว่าด้วยการโปรนิบัตินจาศิกขาบท ว่าด้วยการไปดูการฟ้อนรำนาหณะสิกขาบทว่าด้วยการเปลือยกายอาบน้ําเอากัตรณะปาปุรณะสิกขาบทว่าด้วยการใช้ผ้าผืนเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนเป็นทั้งผ้าหม่มเยยศยสิกขาบทว่าด้วยการนอนบนเตียงเดียวกันอันโตรัฐสิกขาบทว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปในที่ที่น่าหวาดระแวงภายในรัฐพระหิรัตสิกขาบท ว่าด้วยการเที่ยวจ่าริกไปในที่ที่น่าวาระแวงภายนอกรัฐอันโตวะสักขาบทว่าด้วยการเที่ยวจ่าริกไปภายในพรรษาจิตตาคาระสักขาบทว่าด้วยการไปดูหอจิตรกรรมอาสันทิสักขาบทว่าด้วยใช้ต่างยาวสุตตะกันตนาสักขาบทว่าด้วยการกรอได้เวยาวัจจะสักขาบทว่าด้วยการช่วยทําการนขนวายสหัาดาสักขาบท ว่าด้วยการให้ของเคี้เวด้วยมือตนอภิคุกราวาสิกขาบทว่าด้วยการอยู่จำพรรษาในแอลวาที่ไม่มีภิกษุฉัตตะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุนีผู้ไม่เป็นไข้กั้นร่มและสวมรองเท้ายาณสิกขาบทว่าด้วยการเดินทางด้วยยานพาหนะสังฆานิสิกขาบทว่าด้วยการใช้เครื่องประดับเอวอรังการสิกขาบท ว่าด้วยการใช้เครื่องประดับของสตรีคันธะศึกขาบทว่าด้วยการใช้ของหอมวาสิตะศึกขาบทว่าด้วยการใช้แป้งอบกลิ่นภิกุณีสึกขาบทว่าด้วยการใช้ภิกษุณีให้บีบนวดสึกขมานาศึกขาบทว่าด้วยการใช้สึกขามานาให้บีบนวดสามเณรีศึกขาบทว่าด้วยการใช้สามเนรีให้บีบนวดขิหินีสึกขาบท ว่าเรืก่การใช้ครหัสงหัยิงให้บีบโนวดอสังกัดฉิกาสิกข า, าบทว่าเรืก่การเข้าหมู่บ้านโดยไม่มีผ้ารัดทันรวมเป็น44สิกขาบทเกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางวาจากับจิตเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาทุกสิกขาบทมีสองสมุทฐานเหมือนกับเอลกะโลมสิกขาบทเอลกะโลมะสมุทฐา น, ะะฐานจบ 7. จ็ปทโสธรรมสมุทฐานปทโสธรรมสิกขาบทว่าด้วยการสอนให้กล่าวธรรมแข่งกันเป็นบทบทอัญญตระสิกขาบทว่าด้วยภิกษุแสดงธรรมแก่มาตุคามเกินหถึง6คคำเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่อสัมมตตะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุไม่ได้รับแต่งตั้งสั่งสอนพิษุนีอทังคตะสิกขาบท ว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีในเวลาที่ดวงอาทิตย์อัสดงแล้วติรชานวิชาสิกขาบทสองสิกขาบทว่าด้วยการเรียนเดรชานวิชาและว่าด้วยการสอนเดรชานวิชาอโนกาสะปุชฌาสิกขาบทว่าด้วยการถามปัญหาภิกษุโดยไม่ขอโอกาสรวมสิกขาบทเหล่านี้เป็นเจสิกขาบทเกิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางจิต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 ว่าด้วยการออกปากขอโภชนะอันประณีตมาตุคามาสิขาบทว่าด้วยการชักชวนเดินทางไกลร่วมกับมาตุคามสังหรารศิขาบทว่าด้วยการถอนขนในที่แคบธัญศญิขาบทว่าด้วยการออกปากขอเข้าเปลือกติบนิมันติตาสิขาบทว่าด้วยภิกษุณีได้รับนิมนต์ปาติเทสนิยสศิขาบทแปดศขาบท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 เก้าเทียสัตตสมุทฐานเทยสัตตะ ส, สิกขาบทว่าด้วยการเดินทางไกลร่วมกับพ่อค้าเกวนผู้เป็นโจรอุปสุติสิกขาบทว่าด้วยการแอบฟังภิกษุทะเลาะกันสูปวิญญาปณะสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอแกงและเข้าสุกรติสิกขาบทว่าด้วยการสนทนากับชายในเวลาค่ําคืนฉันนาสิกขาบท ว, ว่าด้วยการยืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในโอกาสที่กำบังโอกาสสักขาบทว่าด้วยการยืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในที่แจ้งพือยู่หาสักขาบทว่าด้วยการยืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในตรอกตันสักขาบทเหล่านี้รวมเป็นเจ็ดสักขาบทเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาเกิดทางทวารทั้งสาม สักขาบทเหล่านี้มีสองสมุฐานพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ได้ทรงแสดงนัยยะไว้เหมือนเถยยสัท ธ, ธสมุ ธ, ธานเทยยสัท ธ, ธสมุ ธ, ธานจบ 10. ธรรมเทศนาสมุ ธ, ธานพระตถาคตเจ้าจะไม่ทรงแสดงพระสัทธธรรมแก่คนกั้นร่มผู้ถือไม้พลองผู้ถือศาสตราผู้ถืออาวุธผู้สวมเขียงเท้า ผู้สวมรองเท้าผู้อยู่ในยานพาหนะผู้อยู่บนที่นอนผู้นั่งรักเขา่าผู้โภกศรีรษะผู้คลุมศรีรษะรวมเป็นสิอสิกขาบทพอดีเกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกายทุกสิกขาบทมีสมุทฐานอันหนึ่งเสมอกับธรรมเทศนาสิกขาบทธรรมเทศนาสมุทฐานจบสิอ็ดภูตาโรจนะสมุทฐาน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 โจรีวุฒาปณ ะ, ะสมุทฐานโจรีวุฒาปณะสิกขาบทว่าด้วยการโบถชให้สตรีผู้เป็นโจรโจรีวุฒาปณะสิกขาบทนี้เกิดทางวาจากับจิตไม่ที่เกิดทางกายและเกิดทางทวารทั้งสามสิกขาบทนี้พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระธรรมราชาทรงบัญญัติไว้ว่ามีสองสมุทฐานไม่ซ้ํากันโจรีวุฒาปณสมุทฐานจบ